ห อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาราังการดีกาแปลพระพุทธรักขิตาจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นเรื่องของการบำเพ็ญโพธิสมภารของพระพุทธเจ้าในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ต่อในบารมีเหล่านั้น อัตภาพที่บำเพ็ญธานบารมีของพระโพธิสัตว์นับประมาณมิได้ทานบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นผู้กระทำการบริจาคชีวิตชื่อว่าปรมั m a บารมีอย่างแน่นอนซึ่งปรากฏในสัสจะบัณฑิตชาดกอย่างนี้ว่าเราเห็นยาจกเข้ามาเพื่อขอแล้วได้สละร่างกายของตนให้ความเสมอด้วยทานของเราไม่มี นี้เป็นทานบา ร, รมีของเราอัตภาพที่บำเพ็ญศีลบา ร, รมีก็เหมือนกันนับประมาณไม่ได้ศีลบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์นั้นผู้กระทำการบริจาคตนชื่อว่าปรมาถบารมีอย่างแน่นอนซึ่งปรากฏในสังฆปาละชาดกอย่างนี้ว่าแต่เราไม่โกรธเคืองพวกบุตรในพานแม้จะแทงเราด้วยหลาวทั้งหลาย แม้จะทุบตีเราด้วยหอกทั้งหลายนี้เป็นศีลบารมีของเรานี่ก็เป็นทั้งทานะประมัตถบารมีคือสระชีวิตร่างกายในครั้งที่เป็นกระต่ายนะเป็นสหายของอานาคกับสุนกริงจอกก็ผ่ากันแล้วก็สั่งสอนแนะนำสหายว่าควรจะต้องให้ทานแล้วก็รักษาศีลด้วย พญานก็ไปแสวงหาวัตถุมาเพื่อจะให้ทานตุณักจิมจอกก็ไปแสวงหาอ่าไดาา้เนื้อย่างมาของชาวบ้านที่เขาอา่าเฝ้านานะก็ถามเรวยว่าของใครไม่มีของใครสามครั้งก็เลยถือเอาไปเพื่อจะไว้ให้ทานนากระไปเห็นปลาหมกอยู่ในทะเลเงิอหมกอยู่ในชายหาดกาตะโกนถามนะว่าของใครไม่อยู่ ใ, ใครก็เลยถือเอามา เตรียมไว้จะให้ทานพราบริษัทก็คิดว่าเราไม่มีวัตถุอะไรเป็นอาหารน อ, อกจากหญ้าเพราะฉะนั้นนี่คนรับทานปฏิกหกคงจะไม่เอาย้าฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีปฏิกหกมาเราก็สละร่างกายของเราให้เป็นทานก็แล้กันแล้วก็นอนคิดถึงศีลอยู่ท้าวสกะ ก, ก็เลยแปลงลงมาแล้วก็มาทดลองนะเจ้านาคกับตัวริ้งจอกก็นำ อาหารที่ตนเองหามาได้เนี่ยมาให้นะคทามก็บอกอ้าวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาแล้วจะมาเอาก็ไปหาพระโบริสัตว์พระโบริสัตว์บอกว่าเราไม่มีวัตถุอาหารอะไรจะให้หรอกนอกจากตัวของเราเพราะฉะนั้นไข่ท่านติดไฟไว้ก็แล้วกันก็เลยเอเท่าสกัดแรงก็เนระมิตไฟขึ้นมานะพระบริสัตก็ไปถึงก็สลัดตัวสามครั้งเพื่อให้ตัดตว์เล็กออกจากตัวไปแล้วก็กระโดดลงไปในกองไฟแต่ว่าไฟนั้นก็เย็นนะ ก็เลยถามพราหมณ์บอกว่าทำไมไฟของท่านมันเย็นอย่างนี้ล่ะไม่เห็นร้อนเลยท้าวสกัก็เลยแสดงตนนะด้วยความทราบซึ้งว่าพระโพธิสัตว์สามารถสละชีวิตให้เป็นทานได้ก็เลยจดจารึกรอยในดวงจันทร์ทำเป็นรูปกระต่ายจนกรั้งถึงทุกวันนี้นะในอัตถิฐาชาดกาศาสนาบัณฑิตนี่ก็มีแสดงไว้ด้วยว่าท้าวสกัดก็ถือผู้กันแล้วก็ใช้น้ำมึกแบบพิเศษ จะรึไว้ที่ดวงจันทร์เป็นรูปของกระต่ายจะอยู่ไปชั่วชั่วกลับหนึ่งนะนี่ก็เป็นปรมัาธบา ร, รมีในการให้ทานของพระโพธิสัตว์ส่วนสีระบ ร, รมีชาติที่เป็นสังฆปาละนี่ก็เป็นพญานาคมีซับมีซัพบสมบัติอยู่ในภพของนาคอาันเะป็นทิพย์เนี่ยนะมีนางนาคมณิกาแวดล้อมแต่ว่าก็เห็นโทษของการที่มาเป็นสัตวรชานเรื่องอนาของอุปสรกรรมแต่ว่าบุญก็สังสมมาทําให้มีอํานาจมีฤทธ ก็จะรักษาอุโบสถแต่ก็ลำบากในการที่ยักษาอยู่ในเมืองหน้าก็เลยขึ้นมารักษาอุโบสถในเมืองของมนุษย์คล้ายๆกับชาติที่เป็นภูริตะนาคราชนั่นแหละลก็มีพวกในพรานมาแล้วก็เอาหอกนะเอาเหลามาทิ่มมาแทงแล้วก็เอาไปจะไปให้เล่นไปหาสับนะซึ่งตอนหลังก็มีคนมาช่วยคนช่วยก็คือภาษารบุตนั่นเองแต่ว่าตอนที่ถูกทุก ถูกตีถูกแทงเอาเชือกร้อยเข้าไปในตัวนะซึ่งเป็นรูทรุเนี่ยท่านก็ไม่มีความโกรธเลยนะอันนี้ก็เป็นบา ร, รมีซึ่งเป็นศีลและปรัชญบา ร, รมีของพระโพธิสัตวอัตภาพที่พระโพธิสัตวสละราชสมบัติจํานวนมากอยู่ในป่าเพียงผู้เดียวอยู่ในป่าใหญ่เพียงผู้เดียวบําเพ็ญเนคขมารบารมี โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะมีแก่ชีวิตก็เหมือนกันนับประมาณม่ได้เนคขมบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์นั้นผู้สละราชสมบัติโดยไม่มีเยื่อใหยออกบวชจัดเป็นประมัทบา ร, รมีอย่างแน่นอนซึ่งปรากฏในจูลสุตโสมชาดกอย่างนี้ว่าเราละทิ้งราชสมบัติจำนวนมากที่อยู่ในเงื้อมมือดุจทิ้งก้อนเขระ เมื่อเราสละไม่มีความติดข้องนี้เป็นเนคขมะบา ร, รมีของเราชาติที่สละกรรมทั้งหลายออกบรรดาชาออกบวชออกตัวเป็นฤาษีมากมายนะับเป็นทวนชาติที่เป็นจุรสัสูตสุตตะสมานี้ก็เหมือนกันนะนับไม่ได้เลยเช่นเดียวกันอัตภาพที่บำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีในการที่พระพธิสัตวเกิดเป็นมโหสถบัณฑิตเป็นต้นนับประมาณนี้ได้ ปัญญาบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์นั้นผู้แสดงงูที่อยู่ข้างในกระสอบจัดเป็นปรมาถบา ร, รมีงูที่อยู่ในเราเรียกว่าไทนะไทยอย่างแน่นอนเป็นปรมาถบา ร, รมีอย่างแน่นอนซึ่งปรากฏในสัตตุพัสตะชาดกอย่างนี้ว่าเมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาได้ปลดเปลื่องพราหมณ์ให้พ้นจากทุกข์ สิ่งที่เสมอกับปัญญาของเราย่อมไม่มีนี้เป็นปัญญาบา ร, รมีของเรานี้ยอดชาตินี้ก็เป็นพระราชานะก็จะออกแนะนำสั่งสอนพวกประชาชนโดยการที่ไปเรียบพระนคร แ, แล้วก็ให้ทานแนะนาสอนธรมแก่ประชาชนก็มีพราหมณ์คนหนึ่งก็เดินร้องไห้มาเพราะว่าในระหว่างทานนี่ไปเก็บเงิน ไปเก็บเงินที่เขายืมไปนะปะภรรยาใช้ให้ไปกลับมาก็มาอาบน้ำภรรยาก็เอาไถ้ใส่ข้าวสัตตุผงอะไรจะให้ระหว่างทางก็ลงไปอาบน้ําลุ ก, กเทวดาก็ออกมาจากต้นไม้ลุ ก, กเทวดาก็หวังที่จะประกาศคุณพโนของพระโพธิสัตว์นะก็เลยออกมางูมันเข้าไปในไถ้ของพรามนี่เพราะว่าลงไปอาบน้ําอ่าเอาไถ้ใส่ข้าสัตตุ เข้าตูนี่นะมากินแต่แล้วก็ไม่ได้ผูกงูได้กลืนมั น, ก, นมก็เข้าไปแต่แล้วพอขึ้นมาก็เอาไทนะ่ผูกเสร็จเรียบร้อยก็เอาขึ้นนะสะพายไปนะเทวดาก็เลยออกมาบอกว่าวันนี้ท่านถ้าท่านถึงบ้านภรรย า, าท่านลงตายถ้าท่านไม่ถึงบ้านตัวท่านลงตายแล้วก็หายวับก็ไปในต้นไม้ทามก็เลยเศร้าโศกเลยนะรู้ตัวตจะต้องตายไม่งั้นภรรยาก็จะต้องตายร้องไห้ไปถึง พระโพธิสัตว์พระโพธิัตก็เลยถามว่ามีปัญหาอะไรหรือก็เล่าเหตุพระโพธิสัตสั่งประโพธิสัตก็คิดด้วยปัญญานะอาศัยจินตามยียาปัญญาจึงสั่งสมมาก็รู้่ะนะว่าสงสัยนี่เทวดาวออกมาก็บอกนลยนะก็เหตุก็คืองูต้องเข้าไปในท้แน่นอนท่า น, นก็บอกพรามบอกว่าวันนี้ท่านนะท่านไปไหนมานะบอกไปเก็บเงินมาระหว่างท่านทําอะไรบ้างก็บอกว่าเนี่ยเอา มาถึงระหว่างทางหากลับจะอาบน้ําก็เอาไถออกมาแล้วมากินข้าวตูแต่แล้วก็อาบน้ําขึ้นมาแล้วก็เอาถือไถมาโทวดาก็มาบอกอย่างนี้ก็เลยบอกเอาไถออกมาดูก็แล้วกันมีโจรอยู่ในไถนั่นแหละก็ออกมาก็เปิดมาดูก็มีงูออกมานะชูแม่เบี้ยนะก็เลยคนก็จับติดไปไว้ที่อื่นแต่แล้วก็เลยถามอีกหนะ้าว่าใครให้ท่านไปเก็บเงินก็บอกภรรยาสิที่ติดเก็บเงินบอกว่าภรรยาท่านมีชูแล้วละ่นะก็เลย เงินที่ได้มานี่บอกว่าไม่ต้องเอาไปให้ภรรยานะไปถึงก็พราหมณ์โอดไปได้ก็เลยให้ภรรยาภรรยาก็เลยบอกกับชูนะให้มัาเอาเงินไปนะเงินไปก็ตอนหลังพระปุษฏไอ้พราหมณ์นี่ก็ไปบอกพระปุษิศัตร์บอกเงินหายไปแล้วพระปุษฏศาตร์ก็เลยอจับพราหมณ์ที่เป็นชูได้นะในการให้ไปเชื้อเชิญพราหมณ์สองฝ่ายนะของฝ่ายภรรยากับของฝ่ายธามีเนี่ย แปดคนแล้วก็ลดลงทีละคนทีละคนทีละคนจนกทั้งถึงวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็จะรู้แต่ว่าคนไหนเป็นชู้ของนางพราหมณเี่ยถ้าใครน ม, มาทุกวันทุกวันจนทั้งถึงวันสุดท้ายอก็ให้รู้ว่ามันเป็นชู้ก็เลยตอหลังก็สั่งสอนให้เลิกกบชู้พระโพธิสัตก็แนะนําพราหมณ์พราหมณ์ก็ดีใจมากชัตินี้ก็เป็นการสั่งสมปัญญาปรามัตถบรารมีของพระโพธิสัตเช่นเดียวกัน อัตภาพที่บำเพ็ญวิริยะบา ร, รมีเป็นต้นนับประมาณนี้ได้วิริยะบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์นั้นผู้ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรจัดเป็นปรมัภบา ร, รมีอย่างแน่นอนซึ่งปรากฏในมหาชนกชาดกอย่างนี้ว่าในท่ามกลางน้ำเรามองไม่เห็นสั่งเลยพวกมนุษย์ถูกฆ่าตายหมดจิตของเราไม่คิดอย่างอื่นนี้เป็นวิริยะบา ร, รมีของเรา ก็เดินทางจริงๆแล้วก็เป็นเชื้อสายกษัตริย์นะแต่ว่าก็พัดเซพเนจรไปด้วยหน้าของกรรมอ่าแล้วก็ตอนหลังก็จะไปครองราชสมบัติอ่าก็ไปค้าขายอ่าจะเววราชสมบัติมาทำบุญนะเดินทางทางเรือไปเราจะค้าขายแล้วก็เดือดร่มนะเดือดร่มในระหว่างทางก็คนอื่นก็เป็นอาหารของปลาของเต่าหมดแต่พวกพิษสัตว์นี่ไม่ ในเกจคราสในการที่จะพากเพียรว่ายน้ำไปเรือ่อยๆแล้วก็เตรียมพร้อมนะเแลาเรือจะล่มก็ดื่มพวกเนยใสน้ําตาลกรวดเนยละพทานน้ําตาลกรวดเอาน้ํามันมาทาตัวให้ตัวเบาๆนุ่งผ้าเนื้อละเอียดเบาๆแล้วก็กระโดดไปเต็มที่เลยเวลาเรือจะล่มให้ไปไกลที่สุดเลยลก็ว่ายน้ําไปเจ็ดวันถึงวันอุโบสถก็ยังสมท า, านเอาน้ำแข็มบ้วนปาก สมาทารักษาโวสตได้ซ้ำมานะมันก็มีความภาคเพียรไม่ย่อท้ทอเทวดาประจําส ม, มุทรมาถามว่าท่านจะไหว้นะ้ำไปทำไมคนอื่นก็ตายกันหนดแล้วอท่านนี่ไหว้ไปก็ตายเปลาๆไม่เห็นสั่งเลยพระโพธิสัตว์ก็บอกให้เทวดาดูว่าคนอื่นอนะ่ะไม่มีความเพียรเขาตายกันหมดแล้วแต่ว่านี่เรายังไม่ตายท่านถึงได้มาเห็นนีไ่ไงแล้วถ้าเกิดเราตายในระหว่างมหาสมุทรนี้เราก็ไม่ถูกตีเตียนในหมู่ญาติทั้งหลายเพราะว่าได้ทําความเพียรของลูกผู้ชายไว้อย่างเต็มที่แล้ว เพราะฉะนั้นเรานี่แหละจะไหวไปให้ถึงฟังอนางมันีไม่ขละก็เห็นมีความเพียนอย่างนั้นก็เลยนยี่ทําให้ย่อท้อท้อแท้ท้อถอยไม่ได้ก็เลยอุ้มส่งอุ้มไปส่งที่ฟังนะชานี้ก็เป็นวิริยะบา ร, รมีก็ควรในการที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างยิ่งเลยไม่ท้อแท้ท้อถอยในการที่จะบําบเพ็ญบา ร, รมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็ต้องไม่ท้อไม่ถอยในการบําเพ็ญบา ร, รมีเพื่อเป็นสาวกของพระองค์เช่นเดียวกัน ขันติบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ผู้อดกลั้นทุกหนักพระธรรมเป็นเหมือนกับไม่มีจิตใจจัดเป็นปรมัตถบา ร, รมีซึ่งปรากฏในขันติวาทีชาดกอย่างนี้ว่าเราไม่โกรธเคืองพระเจ้ากาศีราชผู้ใช้ขวานอันคมกริบฟาดฟันเราผู้เหมือนกับไม่มีจิตใจนี้เป็นขันติบา ร, รมีของเราชาติะะนี้ก็ ถูกพระเทวทัตนั่นแหละเป็นพระราชาพระเจ้าอะไรกรลาปุพระเจ้ากลาพุหรือกลาปุเนี่ยนะเมาเหล้าแล้วก็พระโพธิสัตว์ก็เป็นฤาษีเข้าไปพักอยู่ในพระราชอุทยานพวกนางสนมต่างๆปฏิห้อมร้อมพระโพธิสัตว์นะพระองค์พระพราชาองค์นี้ก็ตื่นมาตมขึ้นมาก็ไม่เห็นนางสนมก็เลยมีนางสนมอยู่คนเดียวที่คอยที่ให้หนุนตักอยู่ให้นอนบนรรทมหนุนตักอยู่ก็เลยถามไปไหนนางสนมพวกนั้น พอไปแวดล้อมเมือศีแล้วก็เลยโกรธอิสาฤษีนะอด้วยอำนาของความผูกพยาบาลในอดีตมากเลยสั่งให้ในายเปชิกาไปเคี่ยนที่ข้างข้างละหลายร้อยครั้งเนยนะสองพันครั้งทั้งหมดะเนื้อตัวขาดยับเยิ น, นะบอกแกมีปกติกล่าวไว้อย่างไรบอกครับพระองค์มีปกติกล่าวว่าอดทนตอเดี๋ยวจะดูที่ความอดทนของเจ้าเจ้ามีขนาดไหนนะก็ให้เคี่ยนอย่างนี้เสร็จแล้วก็ยังอดทนไหม พอิหัตวดก็ความอดทนไม่ได้อยู่ที่หนังะพระองค์อยากเข้าใจว่าความอดทนอยู่ที่หนังแต่ว่าความอดทนนั้นอยู่กลางหัตถ ay ของข้าพระองค์ก็โกรธอืเดี๋ยวจะดูสิจะอดทนแค่ไหนก็ให้ตัดมือตัดเท้าตัดตัดจมูกอตัดหูอตัดตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกพอพอให้ตัดก็บอกว่ากระทุนนะว่ากันติไม่ได้อยู่ที่มือที่เท้าที่ปลายจมูกปลายหูแต่กันติอยู่ในพระอยู่ในหัตถ ay อันลึกนี่แหละ จนกระทั่งทํำยังไงๆก็ไม่โกรธนะก็เลยตอนหลังก็กระทืบยอดอกพระโพธิสัตว์เลยบอกแกนั่งชมขันติอองแกเป็นคนเดียวเถอะเราไปละก็เลยไปพอรับคลองจกักรสุท่านนั้นเองของพระโพธิสัตว์ก็แผ่นดินก็สู่ไปอยู่ใน เ, เวทีมหานรกบ้านเดิมอันนี้ก็เป็นขันติปรมัตถบารมีของพระโพธิสัตว์ขันติวาทีต่อไปสัจจะบารมีของพระโพธิสัตว์ สละชีวิตรักษาสัจจวาจาไวจะเป็นปรมัตถบา ร, รมีซึ่งปรากฏในมหาสุตโสมชาดกอย่างนี้ว่าเมื่อเราจะรักษาสัจวาจาในสระชีวิตของเราช่วยปลดเรื่องกษัตริย์ร้อยหนึ่งพระองค์ให้หลุดพ้นนี้เป็นสัจจะบา ร, รมีของเราฉันนี้ก็พระองคุริมาณจะไปเกิดเป็นพระเจ้าโพริ ษ, ษาสนะ์นนกินเนื้อมนุษย์นะจับ พระราชาได้ร้อยเอ็ดองค์พระโุริสัตถ์ก็ไปช่วยนะโดยที่ให้สัจจะว่าจาว่าเดี๋ยวกลับไปเมืองแล้วไปทำธุรกิจอะไรเรื่ อ, อยแล้วจะกลับมาให้กินเนื้อนะจะกลับมาให้ให้ไปบวงสรวงนะเพราะว่าพระเจ้าปุริสัตถ์นี่ถูกถูกได้ตามแล้วก็บนบานลุกรเทวดาว่าถ้าเกิดรอดชีวิตได้เนี่ยก็จะเอาพระราชาร้อยเอ็ดองค์เนี่ยมาเพื่อที่จะมาแก้บน มาสังเวยธำพรีนะตอนหลังพระโพธิสัตว์ก็กลับไปแล้วก็ได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าโพธิสัตว์อลังก็เลิกกินเนื้อได้นะท่านนี้ก็เป็นสัจจะบา ร, รมีต่อไปอธิฐานะบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ผู้สละชีวิตอธิษฐานวัดจัดเป็นปรมาถบา ร, รมีซึ่งปรากฏในมูคะปักถะชาดกอย่างนี้ว่า พระมารดาและพระบิดาจะเป็นที่น่ารังเกียจสําหรับเราก็หาไม่ยศใหญ่จะเป็นที่น่ารัารงเกียจก็หาไม่แต่เพราะพระสัตพัพายุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานวัดอันนี้ก็ตั้งแต่เล็กๆคลอดออกมาไม่นานเท่าไหร่นะพระบิดาก็ให้นั่งบนตักบนเพระเถาแล้วก็ตัดสินความพอตัดสินความว่าให้ไป ลองโทษเขี่ยนบุคคลนั้นแล้วก็เอาคนนี้ไ ป, ปตัดสินประหารชีวิตนะก็ได้ยินเสแต่แล้วก็ระลึกได้เลยนะว่าโอ้ทาไมบิดาของเรานี่กล่าวคำหยาบช้ายอย่างนี้นะคําหยาบคายอย่างนีนะ้เราเองมาจากไหนนี่ก็รู้ว่าตนเองนั้นมาจากนรกนะมาจากนรกเพราะว่าในอดีตชาติเคยครองราชที่เมืองนี้แหละครนะองราชยี่สิบปีไปตกนรกตั้งสองหมื่นสามหมื่นปีครองราชแค่ยี่สิบต้นสิบปีเท่านั้นนะ ก็เลยอู้กลัวมากเดี๋ยวจะต้องเขาจะต้องให้มาครองราดอีกแน่นอนเลยนก็กลุ้มใจนะก็บัดดีมีมารดาในชาติที่สามอ่าเป็นเทวดาสิงอยู่ที่สวตเดชัดก็เลยออกมาบอกอุบายให้ว่าให้ทำเป็นคนบ้าคนบ้าจะได้เขาไม่ต้องให้ของราดก็เลยอดนทนทาความเพียรในการที่จะไม่ร้องไม่คลานไม่กระดุกกระดิกนะไม่เคลื่อนไหวเลย จงกระตั้งถึงอายุสิบกปีเขาก็ทดลองนะความจริงแล้วมีลักษณะที่ดีมากพวกพวกกราบปุโรหิตก็พยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระราชามียศมีบุญมากต่ อ, ตอหลังเาก็ทดลองด้วยการทดลองใหญ่ๆ16บกครั้งแต่การทดลองเล็กๆย่อยๆนี่มากมายเลยเอาของสกปรกมาทาเอาของเล่นเอาช้างเอางูเอาไปวางบนฐานร้อน กนะลินเม็นอะไรต่างๆเอามายั่วยวนจนกรทั่งอายุสิหกปีก็เอาสาวๆมายั่วยวนพระเพธิสัตวก็อดกลั้นนะไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ตึงจนกทั่งเขาอาไปทิ้งที่ป่าช้าพ่ดิบอ่ะนะจนกระทั่ขาทางขยับขยืน่นก็ในที่สุดก็ขยับขยืน่นแล้วก็บอกกับคนรถนะบอกเราไม่ได้เป็นอ่บ้าใบายอย่างนั้นนะเราออกบวชแล้วแล้วก็ไปบอกพระดิดาพระมารดานะคนขับรถเนี่ยสารถีส่อหังก็เลยออกบวชกันทั้งเมืองมาเลยอันนี้ชาตินี้ก็ เป็นพระเตมีใบ้อนะมูคะปัคขชาดกบัมเพลนปร ม, ร, รมัตถบารมีอธิษฐานบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ผู้ไม่ห่วงใยชีวิตยังคงเมตตาอยู่จัดเป็นปรมัตถบา ร, รมีซึ่งปรากฏในสุวรรณสามชาดกอย่างนี้ว่าสัตว์อะไรอะไๆมิได้สะดุ้งกลัวเราแม้เราก็มิได้กลัวสัตว์อะไรอะไรเพราะเรามีกําลังเมตตาําจุน จึงยินดีอยู่ในป่าในการนั้ น, นาชาตินี้ก็เป็นสุวรรณสามตอนหลังก็ถูกก บ, บิละยะเป็นพระราชาองค์หนึ่งนะเอ๊ะเข้าใจว่าทำไมเนื้อกวางเก้งอะไรต่างเหล่านีน้มาเดินกับมนุษย์ได้ยังไงนี่เป็นมนุษย์หรือเป็น เ, เทวดาหรือเป็นคนทันอะไรกันต้องทดลองดูกันเลยยิงลุกศร อ, อัพยาพิษนะก็โดนพระพริษัทพรพิษัทก็คงจะลืมเจริญเมตตาพักหนึ่งนะก็ ทำให้นได้รับอันตรายก็ล้มลงก็มีสติสําจัญญะนะค่อยๆเอาน้ําไปตักน้ํามากับพวกสัตว์ทั้งหลายก็เลยค่อยๆลดหม้อน้ําลงแล้วก็ถามใครยิงเราอะออกมาสิมีอะไรยิงเราเรื่องอะไรให้ออกมาเถอะเราไม่มีอันตรายกับใครหรอกะเราเลี้ยงดูมานาบิตาพุตตาบอดอยู่อย่าหลบอยู่เลยก็ พูดไปอย่างเพราะนะกบิริกข์ก็เลยออกมาก็มาถามว่าท่านเป็นยักษ์เป็นอะไรบอกไม่ได้เป็นยักษ์เป็นอะไรเป็นมนุษย์แล้วก็เลี้ยงดูมารดาบิดาพุตธะบอดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมายิงเราเนี่ยนะไม่เหมาะสมเลยนะก็แนะนําตับเตือนกบิริกข์ก็ก็สงสารมากแต่ว่าเป็นเป็นพระราชานะก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอดูแลอุปถาม พ, พ่อแม่ของท่านจนตลอดชีวิตเป็นการตอบแทนที่ทําไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วกัน ต่พระโพธิตัตว์นี้ก็สลบไปด้วยกําลังของพิษอิษยาพิษที่อยู่ที่ลูกศพเนี่ยนะสมัยระยะพระราชาก็เลยไปอไปหาพ่อแม่ของพระโพธิตัตว์นะพามาแล้วตอนหลังก็ทําสัจจะดิษฐานทําให้พระโพธิสัตว์นั้นฟื้นขึ้นชีพขึ้นมานะด้วยกําลังพิษที่ไหลตกที่พื้นไปชาตินี้ก็เป็นเมตตาบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ ต่อไปอุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ไม่ห่วงใยชีวิตไม่ประพฤติละเมิด อ, อุเบกขาในเมื่อพวกเด็กชาวบ้านก่อทุกข์ให้ด้วยการถมน้ําลายรถเป็นต้นและก่อสุขให้ด้วยการนําดอกไม้และของหอมมาให้เป็นต้นจัดเป็นปรมาธบารมีซึ่งปรากฏในโลมะหังสักชาดกอย่างนี้ว่าเรานอนอยู่ในป่าช้า เอาซากศพตึงมีแต่กระดูกทํทำเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพากันแสดงอาการนานับประการนี่ก็เป็นมหาโลมหังสะชาดกประพตืชนะแบบอุเบกขามากๆเลยมีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าถ้าจะบวชก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีราศการะมา ก, กานั้นก็ออกไปทั้งเพศก็ถักกันแหละมีชุดใดก็ใส่ชุดนั้นไปตลอดนะเนื้อตัวก็เปอปอนปอนไม่อาบน้ไม่หวีผมไม่ทาอะไรแต่งตัวเลยก็นะ ตัวก็เลอะเลอะเทอะแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ครองเรือนชาวบ้านเห็นก็บางคนก็เข้าใจว่าเป็นบ้าบางคนก็รู้ว่ามีตะบะมากบางคนก็บูชาบางคนก็อดูหมินแต่ว่าพระองค์ก็มีอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งปวงนะท่ันชานี้ก็บำเพ็ญอุเบกขาบารมีแบบปารมัธาบารมีเลยก็ในเรื่องนี้ท่านกล่าวด้วยอํานาจบารมีเฉพาะแต่ละข้อที่เด่นๆ ความจริงในแต่ละชาติพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีทุกข้อจริงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นวิทุรบัณฑิตเมื่อปุณณ ะ, ะยักเสนาบดีกล่าวว่าท่านเป็นทาสของพระราชาหรือไม่ได้เป็นทาสบัณฑิตท่านจงกล่าวความจริงก็คิดว่าเราสามารถจะกล่าวเหตุหลายอย่างว่าเป็นญาติของพระราชาว่าเป็นบุคคลผู้ยิ่งกว่าพระราชาหรือว่าไม่เป็นอะไรกับพระราชา อันที่พึ่งที่เสมอกับสัจจะย่อมไม่มีในโลกเราจะพูดแต่ความจริงเมื่อเรากล่าวว่าเราเป็นท่าปุลนกะยักษ์นี้ก็จะจับเราแล้วกระทาตามปรารถนาแม้จะรู้อยู่ก็มิได้เห็นแก่พระราชาสนลกความอาลัยในสมบัติในบุตรและภระยาเช่นนั้นของตนสละแล้วซึ่งชีวิตของตนกล่าวว่าเราเป็นท่าเมื่อพระโพิสัต์นั้นกล่าวอย่างนี้ ไม่พึงเข้าใจว่าสัจจะบา ร, รมีเท่านั้นสำเร็จแล้วบา ร, รมีสามสิบทัดแม้ทั้งหมดสำเร็จแล้วในขณะเดียวกันคือเพราะพระโพธิสัตว์นี้เมื่อจะกล่าวคำนั้นได้สละทรัพย์อวัยุวะและชีวิตของตนแด่พระราชากดเรื่องพระราชาให้พ้นจากหนี้จึงกล่าวปุนณกยักษ์นี้ก็ไปเล่นสกากับพระราชานะแล้วก็พนันกันนะพนันเอา ของตอนเองก็มีมณีแก้วรัตนะะแต่ว่าถ้าชนะก็เอามณีรัตนะที่ไปแต่ว่าถ้าเกิดอ่าพระราชาแพ้ก็ต้องให้อให้วิทูรบัณฑิตนะเป็นของตอบแทนพระราชาก็าชอบเล่นสการนะก็เลยตกลงกันตอนหลังก็เลยเอาวิทูรบัณฑิตไปแต่วความจริงแล้วก็เป็นอภรรยาอภรยาของ เอลูกสาวของยักษ์ตนหนึ่งที่พุณนะพุณะกะยักษ์เนี่ยชอบอยู่ในนะต้องการจะฟั่งทำรรจากวิทูราบาัณฑิตเพราะได้ยินกิตติศัพท์เขามีปัญญามากนะแต่ว่าออกอุบายบอกว่าถ้าใครไปเอาหัวใจของวิทูราบาัณฑิตมาได้ก็จะยกลูกสาวให้นะลูกสาวนั้นก็ยินยอมเป็นภรรยาก็เลยพุณะกะยักษ์ก็หลงรักอยู่ก็เลยมาเอา พรนะวิถุรบัณฑิตไปเพราะคิดว่าจะเอาหัวใจจริงๆแต่ความจริงแล้วต้องการจะฟังธรรมะตอนหลังก็ไปแสดงธรรมอนุเคราะห์โปรดแล้วก็กลับมามีชีวิตปลอดภัยได้นะเพราะฉะนั้นผึงทราบว่าธานาบารมีก็สําเร็จแล้วศีลบารมีก็สําเร็จแล้วเพราะเว้นจากมุสาวาเป็นต้นเนคขมะบารมีก็สําเร็จแล้วเพราะปราศจากความดำริในบาปก็ออกจากการทั้งหลายได้ด้วยการสละวัตถุเหล่านั้น และปัญญาบา ร, รมีก็สําเร็จแล้วเพราะพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึงกล่าววิริยะบา ร, รมีก็สําเร็จแล้วเพรา ะ, พระเพราะโ พ, พริสัตไม่ท้อถอยด้วยคิดว่าเราจับ ก, กระทําหน้าที่ของธาตของพระราชานี้อย่างไรก็ภาคเพียนนะไม่ยอทอ้ทอต่อแท้ต่อถ อ, อ, อ, อยแล้วจึงกล่าวคันติบา ร, รมีก็สําเร็จแล้วเพราะพระโริสัตกล่าวจริง อธิษฐานบารมีก็สำเร็จแล้วเพราะพระโพธิสัตว์ไม่ทำลายอธิษฐานที่คิดไว้ว่าเราจะไม่กล่าวมุสาจะกล่าวแต่คำสัตว์เท่านั้นเมตตาบารมีก็สำเร็จแล้วเพราะพระโพธิสัตว์มีได้โกรธในบุคคลผู้จองเวรเช่นนั้นแต่กล่าวด้วยเมตตาอุเบขาบารมีก็สำเร็จแล้วเพราะพระโพธิสัตว์อุเบขาด้วยคิดว่าบุคคลนี้จับเราแล้วต้องการสิ่งใดจงกระทำสิ่งนั้น เราจักอดกลั้นสิ่งนั้นทั้งหมดสิ่งที่พึงมีก็จงมีก็ถึงความเบิกขาวางเชยได้บารมีสาิทัศแม้ทั้งปวงสาเร็จด้วยคาคาเดียวเท่านั้นเพรา ะ, ระพระโพธิสัตสลับทรัพย์อวัยวะและชีวิตแม้โดยประการทั้งปวงแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ด้วยประการฉนี้พึงเห็นการบําเพ็ญบารมีตามความเป็นจริงในชาติสัมภาระมิใช่น้อยอย่างนี้แหล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 ในการที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโพธิสมภารก็ได้แก่บารมีสิบธาตุหรือว่าบารมีทั้งสามสิบนั่นเองซึ่งก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ก็จะได้ทราบว่าจุดประสงค์ในการที่จะให้ทานของพระโพ ธ, ธิสัตว์นี้มีมากมายถึงสามสิบประการเลยตั้งอธิษฐานเอาไว้เจตนาในการให้เพื่อจะเป็นมสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ว่ามีจุดประสองค์อื่นๆอีกมากมายเลยวันนี้ก็ ขออนุโมทนาสาธุการให้ท่านได้สถัทธาปีติประมโมสถอันเครื่องคูลแกการอบรมตรีศิษยาเพื่อที่จะได้บรรลุอริยสัจธรรมเช่นเดียวกับพระอ ร, ริยาสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุไปแล้วแล้วก็จะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยแกตนในการบรรลุอันใกล้นี้ในบุคคลอื่นด้วยอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ